ในชาวันนี้ <c oughs> ก็ขอให้พระพิสุสงฆ์สมเณรแม่ธีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายชงตั้งจิตตั้งใจชงตั้งมั่นตั้งความเพียรคือความพยายาม ความพยายามที่เกิดขึ้นกับกายของเราความพยายามที่เกิดขึ้นจากใจของเราค่อยๆหลับตาลงแล้วใช้สติจับไว้ที่ใจเราเราต้องรู้เท่าทันสติเราถึงจะเห็นเราถึงจะเข้าใจ ในเช้าวันนี้จะให้ผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายจงนึกถึงใจตัวเองเข้าไว้ว่าใจเราในขณะนี้ใจเรากำลังจะทำอะไรใจเรากำลังจะคิดอะไรใจเรากำลังรู้สึกกับอะไรอยู่มองไปที่ใจตัวเองเข้าไว้ เราจะเข้าไปยังไงให้ถึงใจตัวเองเราจะรู้ยังไงว่าสิ่งที่ใจตัวเองทำอยู่ในขณะนี้มันคืออะไรใจที่มันเป็นสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุที่มัน ปรุงแต่งขึ้นมาใจเนี่ยเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่างทําไมบอกว่าใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีสภาพของมันใจมันคิดเช่นไรใจมันปรุงแต่งเช่นไรเนี่ย มันก็จะส่งผลให้เกิดเป็นกรรมขึ้นมาก็พิจารณาไปใจที่มันอยู่กับเราทุกวันมันทำหน้าที่ให้เรามีชีวิตอยู่ทุกวันเราให้อะไรกับใจเราบ้าง เราให้แต่ความทุกข์กับใจเราเราให้แต่ปัญหาเกิดขึ้นกับใจเราเราให้แต่ความขุ่นข้องมองมัวเกิดขึ้นกับใจเราอยู่ตลอดเวลาเพราะใจของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่อนไหวเป็นสิ่งที่อ่อนแอและเป็นสิ่งที่แข็งแรง เป็นสิ่งที่แข็งกระด้างได้ในที่สุดเราสามารถให้มันอ่อนมันก็อ่อนได้สามารถให้มันแข็งมันก็แข็งได้เพราะใจเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นของเหลวที่มีน้ําเลือดคอยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ใจนั้นมีความชุ่มฉ่ำมีความชุ่มชื้นที่ทำให้ใจเราสามารถ อยู่ได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่มีน้ําที่เข้ามาหล่อเลี้ยงใจจะเกิดอะไรขึ้นน้ําในที่นี้ก็หมายถึงพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สามมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเราไม่รู้จักเอาน้ําเข้าไปหล่อหลอมไว้หล่อเลี้ยงไว้ใจของเราก็จะตายไปในที่สุด ใจของเราจะไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายกับอะไรเลยใจของเราจะไม่รับรู้อะไรเลยแม้กระทั่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งความคิดของตัวเองใจก็ไม่สามารถรับรู้ได้แม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเองใจก็ไม่สามารถรับรู้ได้ แม้กระทั่งอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้ตื่นเถิดผู้ประพฤปฏิบัติธรรมทั้งหลายตื่นจากความง่วงเหงาเหงานอนตื่นขึ้นจงใสสติจับไว้ที่ใจสติเป็นยังไงสติคือสิ่งที่ระลึกระลึกรู้ระลึกรูลลกลลกลลก้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คืออะไรใช้สติจับเอาไว้ว่าใจเราเนี่ยทำไมต้องอยู่ในสภาวะอย่างนี้ทำไมต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้ความบริสุทธิ์ใจของเราหายไปไหนความใสสะอาดของใจเราหายไปไหนใจเราเนี่ยวันทั้งวันมันมีแต่ความซัดใส สัดสายไปเรื่องนั้นสัดสายไปเรื่องนี้ใจของเราเนี่ยแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาแปรสภาพอยู่ทั้งวันแล้วเราลองคิดว่าเราเหนื่อยใจไหมเหนื่อยที่สุดก็คือใจเจ็บที่สุดก็คือใจเสียใจที่สุดก็คือใจทุกใจที่สุดก็คือใจ เราลองพิจารณาไปเรื่อยๆหนาวที่สุดก็คือใจร้อนที่สุดก็คือใจแล้วมันมีอะไรอีกเล่าที่ใจมันไม่รู้สึกเบื่อก็คือใจไม่เบื่อก็คือใจเราลองคิดไปพิจารณาไปว่าทาไมใจเราถึงเป็นอย่างนี้หนอ ทำไมใจเราถึงต้องคิดทําไมใจเราถึงต้องปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราจะเก็บเอาความทุกข์เราจะเก็บเอาความเสียใจเราจะเก็บเอาความโกรธความอาฆาตความพยาบาทความปองร้ายความอิจฉาลิษยาชึ่งกันเล็กกันเนี่ยไอ้ใจโง่โงเนี่ยมันจะเก็บไว้ทําอะไรเก็บไว้เพื่อทําลายตัวเอง ไม่ให้ตัวเองมีจิตใจที่ดีขึ้นสูงที่สุดก็คือใจต่ําที่สุดก็คือใจดีที่สุดก็คือใจเลวที่สุดก็คือใจลองพิจารณาให้ดีๆเราจะเข้าไปถึงใจเราได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่รู้เท่าทันใจของเราเองเลยเราควบคุมใจเราได้แค่ไหน เราคิดว่าเรารู้ได้แค่ไหนต้องพิจารณาให้ดีๆใจเนี่ยเป็นใหญ่กว่ากรรมทุกอย่างทำไมถึงบอกเช่นนั้นเพราะการกระทําที่เราทําออกมาการแสดงออกมาจากกิริยาท่าทางหรือคำพูดต่างๆมันก็ส่งผลกรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง เหมือนในขนาดนี้เนี่ยเรากำลังทำสมาธิเรากำลังประครับประคองใจเราอยู่เราประคองใจตัวเองได้ไหมเราไม่ให้ใจมันสั่นคลอนได้ไหมให้ใจมันมีความรู้สึกสงบเราทำได้หรือเปล่าให้ใจมันนิ่งให้ใจมันไม่คิดให้ใจมันไม่ปรุงแต่งเราทำได้ไหม ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็ยังแพ้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะชีวิตเราไม่เคยเอาชนะใจตัวเองเลยเราต้องการคิดแต่จะเอาชนะผู้อื่นอย่างเดียวเราคิดว่าในการเอาชนะตัวเราเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนักยากนาที่เราจะทำได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราชนะใจตัวเองได้เมื่อไหร่ เราจะเห็นในสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนผู้ประพิปฏิบัติธรรมทั้งหลายใจของเราเนี่ยเราลองพิจารณาว่ามันเป็นแหล่งสะสมมันเป็นเหมือนขุมนรกขุมใหญ่ที่มันสะสมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปเก็บไว้เก็บไว้ในใจ เมื่อเราไปเก็บไว้มากๆเนี่ยมันก็ล้นใจมันก็ขับใจมันก็อึดอัดใจมันก็เสียใจมันก็เศร้าใจใจทั้งนั้นแต่ทำไมเราถึงยังต้องการมันอีกทำไมเรายังต้องการมันอยู่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกิเลสของเราหรือเปล่า มันเป็นเพราะความอยากมันเป็นเพราะตัญหาที่เรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะรักษาใจเราได้ยังไงเหมือนในขณะนี้เนี่ยทุกคนกำลังรักษาใจตัวเองอยู่ใจที่มันฉํำลุดใจที่มันมีบาดแผลใจที่มันมีแต่รอยล้า ใจที่มันมีแต่รอยรั่วเราจะอุดใจเรายังไงเราจะรักษารอยล้ามันยังไงให้มันหายไปถ้าเราไม่ทำความเข้าใจให้ดีๆเนี่ยไม่มีทางที่เราจะรักษาใจของเราเองได้เลยมันเป็นเหล็งสะสมทุกสิ่งทุกอย่างจนมันทำให้ใจเนี่ย มันเกิดเป็นโลกเช่นเดียวกันเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษกับกายของเราเมื่อใจมันคิดมากเราก็ลองพิจารณามันก็อาจจะทำให้เราเป็นโรคหัวใจโตก็ได้เมื่อใจเราปรุงแต่งมากมันทำให้เราเป็นโรคหัวใจตีบก็ได้เราอย่าไปสงสัย อย่าไปลังเลว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นกับกายเราในขณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองทั้งนั้นเราคอยไปบีบคั้นเราคอยไปกดดันมันอยู่ตลอดเวลาไปเร่งแล้วมันอยู่ตลอดเวลาใจมันไม่มีมันก็อยากมีใจไม่ได้มันก็อยากได้ ใจไม่พอมันก็อยากจะพอในบางครั้งมันเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะเราไปเร่งแล้วมันอยู่ตลอดเวลาทําให้ใจเราต้องมีบาดแผลทําให้ใจเราต้องเป็นโรคเมื่อใจเราเป็นอย่างนี้เราจะใช้อะไรรักษาเราต้องใช้ศีลเป็นสิ่งที่เข้าไปรักษาใจเพื่อไปอุดรอยรั่ว เพื่อไปฉาบไร้รอยแผลที่มันแตกแล้วที่เกิดขึ้นกับใจเราถ้าเราไม่พิจารณาในสินที่เราได้รับในสินที่เราได้ถือกันไปเราก็ไม่รู้ว่าสินเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างเราคิดว่าสินเนี่ยเมื่อเรารับมาแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เรายัางไม่รู้วิธีการรักษาสินเลยเรายัางไม่รู้วิธีการที่จะเอาสินไปรักษาอย่างไงได้บ้างเราต้องเอาสินไปรักษาใจคนเรารักษาสินสือสินเพราะอะไรเพราะใจเรามีความปรารถนาเพราะใจเรามีความต้องการแต่เรานำสินไปใช้ไม่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติธรรมต้องคิดต้องคิดให้มากๆต้องพิจารณาให้มากๆต้องย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราก็เอาศีลเข้าไปไปรักษาใจเราให้ดีขึ้นอย่าให้ใจมันเจ็บอยู่อีกเลยอย่าให้ใจมันทุกข์อยู่อีกเลย อย่าให้ใจมันมีความเล่าร้อนอยู่อีกเลยตัดมันออกไปให้หมดให้ศีลไปช่วยรักษาความโกรธไปช่วยรักษาความโรกไปช่วยรักษาความหลงศีลเนี่ยเปรียบเสมือนยาที่รักษาทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีที่สุดแต่เราจะรักษายังไงเราจะทำยังไงให้โลกที่มันเกิดขึ้นกับ กายและใจของเราเนี่ยมันหายไปให้ได้พิจารณาไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองนี่เฉพาะใจนะถ้าเราฟังแล้วเรายังไม่เข้าใจแสดงว่ายังไม่ถึงใจเราฟังแล้วเราต้องเข้าใจเข้าใจในเหตุที่เกิดขึ้น เข้าใจในปัจจัยที่มันเกิดขึ้นว่าที่ใจต้องการที่ใจปรารถนาอยู่ทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะใจเราเองหรือไม่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะมาบังคับเราให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นอกจากตัวเราต้องทำด้วยตัวเองใจมันก็เป็นโรค ครั้นี้เราก็ไปกันต่อเมื่อเลยใจไปแล้วมันก็มีปอดปอดทั้งสองข้างของเราเนี่ยที่ช่วยให้ใจเนี่ยอยู่ได้ประคับประคองใจไว้ได้ก็เพราะปอดปอดมันก็ช่วยทำงานช่วยทำหน้าที่อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าไม่มีปอดหัวใจก็ทำงานไม่ได้ ก็เช่นกับผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นกันถ้าไม่มีพระพิสุสงฆ์คอยชี้แนะชี้นาเนี่ยให้โยมปฏิบัติเองโยมก็ปฏิบัติไม่ได้ให้โยมทำเองโยมก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจไม่รู้สัจธรรมแห่งความเป็นจริงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ เรากำลังเห็นอะไรอยู่ในขณะ น, นี้เรากำลังได้ยินอะไรอยู่ในขณะ น, นี้เราก็ต้องพิจารณาไปปอดเนี่ยที่มันเป็นที่อยู่ของโลกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะเราทำให้มันเกิดขึ้นมาทั้งนั้นเราเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่เข้าไป เราเอาสิ่งที่ไม่ดีให้กับมันทุกวันทุกวันบางครั้งเราก็ไม่คิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้บางครั้งเราก็เป็นโรคปอดชื้นสาเหตุที่เป็นโรคปอดชื้นเพราะอะไรเราอาจจะกินน้ําเย็นมากเกินไปเราอาจจะอาบน้ําดึกเกินไป เราอาจจะนอนแอมากเกินไปจึงทำให้เราเป็นปอดชื้นจึงทำให้เราเป็นปอดบวมจึงทำให้น้ำท่วมปอดเราเข้าไปอีกใครทำให้เราเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ตัวเราเองแล้วใครจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราทำตัวเองทั้งนั้นแล้วเราลองคิดดูสภาพ ที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงมันมีแต่โรคมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของโรคทั้งนั้นโรคชนิดต่างๆที่อยู่กับทุกคนทุกชีวิตอยู่ในขนาดนี้แม้กระทั่งตับของเราก็เช่นเดียวกันคนที่เป็นโรคตับเนี่ยก็มีเหตุและปัจจัยที่แตกต่างกันไปบางคนก็เป็นโรคตับ เสบบางคนก็เป็นโรคตับแข็งเหตุเนี่ยมันมาจากไหนเหตุมันก็มาจากการกระทําของตัวเองทั้งนั้นเราอาจจะกินกินเหล้ามากเกินไปจึงทําให้เป็นโรคตับแข็งแล้วเรายัางลงคิดว่าตับเนี่ยมันมีทั้งตับอ่อนมีทั้งตับแข็งแล้วโรคที่มันอาศัยอยู่ ทุกๆวันเนี่ยกับชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของตับมันอยู่ตรงไหนของตับเราลองคิดพิจารณาเพราะเราไม่เคยพิจารณาเลยเพราะเราไม่เคยดูเลยเราถึงไม่เห็นเราถึงไม่รู้แม้กระทั่งลำไส้เราก็เช่นเดียวกันมีทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ เราลองพิจารณาเมื่อเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในร่างกายเนี่ยบางคนก็จะอาจเป็นลำไส้อักเสบบางคนก็อาจจะเป็นโรคลำไส้ลำไส้เลื่อนก็มีทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเหตุอะไรหนอที่ทำให้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเป็นเพราะเหตุอะไรมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะร่างกายเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่สังสมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในร่างกายเรา บางคนก็เป็นโรคกระเพาะบางคนก็เป็นโรคกดไหลย้อนมันเป็นเพราะอะไรบางคนก็ท้องอืดบางคนก็ท้องบวมเพราะน้าท่วมปอดก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไร เราพิจารณาไปที่ใจเรามองให้เห็นมองให้รู้ถ้าเรามองไม่เห็นเราไม่รู้เนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยเรามวดแต่โทษโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้โทษคนรอบข้างโทษญาติพี่น้องโทษลูกโทษหลานแต่ไม่โทษตัวเอง เราอย่ามัวไปเฝ้าเพ่งโทษให้คนอื่นเลยเราต้องพยายามประคองใจเราให้ดีที่สุดเราจะได้รู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ใจเท่านั้นเองมันอยู่ที่ใจเท่านั้นเองพยายามท่องแล้วก็มีสติจับไว้ที่ใจมันอยู่ที่ใจเท่านั้นเอง ใจเนี่ยมีใจเป็นสภาพถึงก่อนใจเป็นประธานใจเนี่ยเปรียบเสมือนเงาตามตัวเราไปตลอดเวลาถ้ามีกายไม่มีใจเราก็คงไม่มีชีวิตอยู่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้อย่างนั้นมโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมยาอย่างที่กล่าวไปให้ฟัง ถ้าเราไม่รู้ใจเราแล้วเราจะให้ใครมารู้ไม่มีใครมารู้ใจเราเท่ากับตัวเราเองแล้วเราคิดว่าจะให้หมอดูมาดูว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงเรายังไม่รู้ตัวเองเลยแล้วเราจะหวังที่จะให้คนอื่นมารู้ใจเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้รู้ได้ แต่ข็รู้แค่บางอย่างก็รู้ไม่หมดแต่ตัวเราใจเราเท่านั้นที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการกระทาของเราได้อยู่ตลอดเวลาขณะนี้จิตใจทุกคนกำลังเป็นกุศลอยู่เราก็ต้องให้สิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันอยู่ในใจเรานา น, า น, าน ทำไมสิ่งที่เป็นกุศลถึงอยู่ในใจเราได้ไม่นานเราก็ต้องพิจารณาไปเพราะสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลมันมากกว่าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมากกว่าจิตที่เป็นกุศลแน่นอนจิตที่เป็นกุศลมีน้อยนัยนกจึงทำให้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันเกิดได้ง่ายที่มันเกิดได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเราปล่อย เราปล่อยกายตัวเองเราปล่อยใจตัวเองปล่อยไปตามมาอะไรปล่อยไปตามอารมณ์เราปล่อยไปตามความคิดปล่อยไปตามความรู้สึกทั้งวีทั้งวันโดยที่เราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวว่าในขณะนี้เนี่ยเมื่อเราปล่อยใจไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตามใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราคิดเข้าข้างตัวเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราเกิดขึ้นจากใจเราทั้งนั้นพยายามท่องไว้เพื่อที่จะได้ไม่ขาดสติเพื่อจะได้มีสติอยู่ตลอดเวลาว่าใจเรา ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ประครับประคองไว้ให้ดีคนทำสมาธิเนี่ยถ้าสมาธิจะเกิดขึ้นได้เราต้องเห็นความสงบของใจก่อนความสงบต้องไม่มีอะไรเข้ามาปะปนในขณะที่เรานั่งสมาธิไม่มีอะไรเข้ามาปะปนในใจเลยใจต้องว่าง ใจเปียบเสมือนอากาศนั่นแหละถึงจะเกิดสมาธิในขณะที่เราทำสมาธิเสียงที่เราได้ยินเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจใจเนี่ยต้องว่างเหมือนอากาศเลยไม่มีเรื่องนั้นไม่มีเรื่องนี้ไม่มีความคิดไม่มีความปรุงแต่งเข้ามาอยู่ในใจ และคนที่ได้สมาดนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าสมาธิเนี่ยมันสุขอย่างไรสมาธิเนี่ยมันว่างอย่างไรตราบใดที่ใจยังคิดใจยังปรุงแต่งอารมณ์ยังรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจคิดไปเรื่อยคิดให้ใจมันเล่าร้อนคิดให้ใจมันแพ้ใจตัวเอง เมื่อเราคิดมากเนี่ยเราก็จะแพ้ใจตัวเองไปในที่สุดเราก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่เพิ่งมาปฏิบัติก็อาจจะยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราต้องค่อยค่อยฝึกตัวเองเราจะได้เข้าใจว่าการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป ถ้าเราเข้าให้ถึงใจเราเนี่ยเราจะรู้ใจคนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยจะไม่รู้ใจตัวเองจะประมาณใจตัวเองไม่ได้จะบอกใจตัวเองไม่ได้จะใช้ใจตัวเองไม่ได้ใช้ได้แต่ก็ใช้ไปในทางที่ปิดใช้ไปในทางที่เป็นอคติใช้ไปในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษ เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วใจเราจะได้อะไรเรามาปฏิบัติธรรมใจได้แต่ความทุกข์เรามาปฏิบัติธรรมใจได้แต่ความโกรธใจได้แต่ความโลภใจได้แต่ความหลงแล้วเราคิดว่าเราจะขาดทุนหรือได้กำไรต้องพยายามพิจารณาให้ดีๆ เราจะเห็นสิ่งที่เราต้องการได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าให้ถึงใจเราเท่านั้นเองก็ฝากไว้ให้ผู้ ป, ปฏิบัติธรรมทั้งหลายรวมไปถึงพระพิสุสง์เราต้องหมั่นพินิจพิจารณาอยู่เป็นเนือง ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยที่เราไม่พิจารณาอยู่เป็นประจำเราจะไม่เข้าใจเราจะไม่รู้ใจและเราจะไม่เห็นใจเราเลยก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดพิจารณาเพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติปฏิบัติให้รู้ปฏิบัติให้เห็นปฏิบัติให้เกิดผลแต่เราปฏิบัติยังไงผลก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ผลก็มีอยูส่สองอย่างก็คือผลที่ดีกับผลที่ไม่ดีก็คือผลที่สำเร็จกับผลที่ไม่สำเร็จนั่นเองก็ขอให้พระพิสุสง์และอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้สิ่งที่ทุกคนทำได้จงบังเกิดขึ้นกับทุกคนโดยที่ใช้สติและปัญญา และใช้สินคอยรักษากายและใจเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเข้าถึงใจเราเองก็ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กวดน้ำกับพระพิสุสงอีกครั้งหนึ่งนิมนต์ครับ